ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่แปดขรรายการหนีนรกก่อนจะพูดทึงอย่างอื่นก็ค ข, ขอย้ำไว้ก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหนีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใชอารมณ์ตัดสัญโยณสามรายการเท่านั้น สารโยสสารแมการมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเช่นเลยข้อสองไม่ยอมเชื่อเรื่อเลื่มใสยนับถือพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่สาไม่มยอมทําความดีสร้างในความชั่วห้าประการคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพุทโธสาวาต ด, ดึงสุราดมีไร ถ้าจะสมาทานสิ่งกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีหรือ ว, ว่าปานากระปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อบนาคของสารยโยต์คือร้อยรัดบรรดาเนพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นก้อน ห, หนึ่งมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพิพึง่งถ้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไหร่ตายแล้วเมื่อไหร่ไม่ลงนรก ถ้าก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาตินาจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาเทพโิดาบริษัทองสมเด็จประทรงเสบัดอิสภาพจัดว่าไม่มีทางลวงไบยภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสันรกเป็นเปรตนาสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน หากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแดนทั้งสีประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ขาดแดนที่เยียบไหวก็คือหนึ่งสีเลนะสุขติยัญติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อยังไงก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโภก็สมถานจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีทิปปสมบัติมาก ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีที่ประสมบะมีมีพวกสสมบัติมากครีเป็นคนรวยสีเลนนี้ผู้เตีงยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์กจะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่การห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรก ใ้คอยมีกำลังใจจริงๆสามารถจะพญนรกได้จริงสมหรับตอนที่สิบแปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอนิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนดสิบข้อที่สพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพ้อเจือเหลวไหลยังไม่ได้กล่าวถึงอนิสงส์ การไม่ดื่มสุราไม่ไรยังไม่ได้พูดถึงอา น, นิสงส์ในการเว้นใจคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคคลอื่นยังไม่ได้พูดถึงอา น, นิสงส์แต่ก็ยังพูดอา น, นิสงส์ย่อดๆพอจาได้ไง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดีหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดกาหยาบไปเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟัง สี่ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเรากันห้าไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่ประจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมารรพูดใหม่คนหนึ่งพูดแต่ความเป็นจริงสองพูดวาจาอ่อนหวายไม่ที่ชอบใจเขาบุคคลคนอื่นฟัง <c oughs> และวก็สามพูดเอ้เขาก่อเกิดความรักสึ่งกันและกันไม่แตกความสามัคคี เรื่องสีู่ดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าบารบาารด า, า, าท่านพุทธบริษัทท่านใดสามารถใช้วาจาทั้งสี่ราการนี้ให้ขึ้นใจจะไปใ น, นสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้าวาจาเพื่อนที่รักเขาบุคคลผู้รับฟังแล้วเวลาจะพูดไปใครเขา ยุแยนแต่แข่งแสกันแล้วมายุเราส่งขาวว่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราจะเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาและเราก็จะไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดาที่เป็นปัจจัยคนแตงเรากันเราไม่พูดพูดในเขามีแต่ความรักกันสามัคคีกันกลมเกลียวกัน วาจารประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช้วาจาทั้งสิบประการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาติหนาทุกท่านมีวาจาเป็นทิพมีเสียงเป็นทิพ คำว่าทิพย์ท่านแปลว่าอย่างไรก็ช่างเถอะแต่คำว่าทิพย์ดขึ้นแล้วที่ไหนคนนั่นก็ชอบใจอย่างมีร่างกายเป็นทิพย์คนก็ชอบมีเครื่องประดับเป็นทิพย์คนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพย์คนก็ชอบก็โรงความวาจาท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพย์จะไปคุยกับใครที่ไหน จะออกปากขอความช่วเดือบุคคลใดจะไม่มีใครเขาต้องเกลียดเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อไหนมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านโรงความ่าคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิศพูดเป็นที่ถูกใจคนผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุข จะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องวิตักังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทางนี้เพระอะหร่พราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกี่ยวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษจะเกิดกับใคร ในการที่เราพูดดีให้เขาบัรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบัรดาแต่พุทธศาสนิกนชน <c oughs> ทราบถึงอานิสงส์ปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขพระวาจาของท่านถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> อันสมทั้งหลายเหล่านี้จะเทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปต่อไปอันสมก็ใหญ่ขึ้นแค่แค่ดินเสียงพูดยีนเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้วท่า <c oughs> นบรรดาญาโยมพุทธริษัทคนจะสังเกตได้ ว่าคนบางคนยังเรายังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแวแวววเสียงดังมาแต่ไกลล้วชอบใจในเสียงเขาแล้ว <c oughs> อย่างนี้หวังว่าบรนดาท่านพุทธริษัทคงจะพบพบมาบ่อยๆคนประเภทนี้แหละบรรดาท่านพุทธริษัชในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขา แต่อาจจะคู่คุ้มไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อดิสงวาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกประการแต่ว่าเรื่องของคนมันดาแต่พุทธศาสนิกชนคนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีที่กุศลและกุศลให้ผล เ่าเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไปในกลางการบางครั้งอาจจะมีกากรโกหกมดเท็จบ้างพูดวาจาอยาไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะ ก, กันยุเอ้เก็แตกกันซิบบ้างบางครั้ ง, งก็เผลอพูดวาจาที่ไรประโยชน์อย่างนี้มันเป็นโทษ ถ้ากฎข้งกรมประเภทนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจแลือท่านนั้นหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามีถ้าขนาดใดอันิสงวาจาดีให้ผล ขณะนั้นทุกคนอยากฟังคํำพูดของท่านนี่เป็นอเนกสงฆ์ของการพูดดีแล้วมาบริการข้อดีสองด้านสุราเะเมไรพูดไปแล้วเรื่องการโทษของการเด่มสุราเดเมไรแต่คุณะบรรดาทนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เอากันชาตินี้ก็แล้วกัน <c oughs> ก็มีหลายท่านที่เคยเดิมสุราเป็นเมไรเป็นปกติ แล้วต่อมาขณะที่เดี๋ยวสุราดเมรอาตมาเคยพบเองได้ยินเห็นได้ยินเองได้เห็นเองมีคนรังเกตยจเขาว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีคนไม่มีใครอยากคบหาสมาคมที่เขาต้องคบบังก็คบด้วยความจําเป็น บางทีก็ใช้อานาจความเมาอำนาจป่าเถือนความเมาเขา้าผสมทำให้เขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวต่เพทนี้เป็นต้นแต่ ว, ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี้เยอะที่มาหาตรมะก็มาก แล้วมีหลายท่านมารายงานให้ทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่นานเมื่อรายงานให้ทราบขออภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือบอเพียงแค่อ่านประวัติหลวงพว่อปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกจากการดื่มโซดาเมลัยทันทีข้อนี้บรรดาเป็นพุทธบริษัทที่เป็นสตรีห้บริบูรณ์ ถ้าเระเอิญสามีของท่านหรือพัญญาของท่านชอบดื่มสุราได้ม่ไรก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อนังสือนงพ่านไหมเขาอ่านเขาจะเลิกดื่มสุราพี่พูดมานี้ไม่ได้โคชนาขายนังสือเด้กก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มารายงานเขารายงานบอกผมอ่านนังสือนงพ่ ป, ประวัติหงพ่ปานจบ เท่านี้ผมเลิกดื่มสุราดมีไรทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะน้องว่าใส่หนั ง, นงสืหอหลวงพ่อปานแล้ไปอะไรเป็นเหนตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านผูนั้นเป็นเหตุการที่ท่านยังดื่มสุราดมีไรยอยู่มีความรู้สึกว่าการดื่มสุราเมีไรเป็นของดี ท, ทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็นยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอาโกศลไม่ใช่ก่อนที่ทำไว้เข้าปนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหพพ่อานขึ้นอ่านจบตอนนี้จะกกำลังอ่านไปอำนาจของโกศลจะจิตเกิดขึ้นในขณะนั้น พอดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทำไว้ในชาตก่อนก็จ่ออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญและผลของบาปมันจ่ออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่กยใกล้ใกล้ไม่ไกลด้วเพระอาศาศร่านหนังสือดําวนั่งเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศล น, น้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามาหากุศล ถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลก็ต้องถอยเมื่ออากุศลถอยไปแล้วกวุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าก็ผสมทันทีตอนนี้จะเป็นกำลังใจของมันดาแต่พุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกกานดื่มสุราดื่มสุราละเมียรทันทีเพรามันดาแต่พุทธบริษัทลหลายเข้าใจตามนี้นะ แต่อาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วพากันมาซื้อห น, นังสือนุ่หอบปานให้สามีและปัญญาอ่านที่ติสุราละมีไรถ้าเลิกไม่ได้จะบรรดาอาตมาเพราะโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอยืนยนันว่าเลิกได้นะต้องขอตอบว่าอากุศลก็ท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อ่านหนาังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธา กุศลไก่เก่าที่นำมาที่ทํามาแล้วในชาติก่อนคออยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองรายการนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกําลังมา ก, ป, ากาปีอากุศลได้ถอยหลังไปอากุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเรือย ก, กันจเติมสุราดมีไรถ้าท่านมีอ่านหนังสือหลวงพ่ปานไม่อ่านถ้ากุศลใดๆไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราดเมไรไม่ได้ไ บอกกัมมันต์เสียก่อนอ ก, การไม่ดื่มสุราเรเมีไร ส, สติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบ ส, สตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่วสัมปชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทํำในความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นไหนหลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มาหากุศลมาหากุศุคือกุศลใหญ่ เริ่มตั้งใจทําแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิตจีก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่นพุทธศาสนิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เป็นกุศลให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้น การทรงสินห้าบริสุทธิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ทั้งสี่รายการเกิดขึ้นมื่อใดบรรดาเทวพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นชื่อว่าบายคุณนาสีไม่มีกทัทแน่ในชาติต่ตอๆไปนีว่ากระทึงอะไสงไม่ดื่มสุราจเมีไรเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มันก็อาจจะมากไปหน่อย เรนนี้ว่าถึงอานิสงฆ์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นข้อตนอารมณ์อย่างนี้ศิลทุกข้อดั่รมดาแทนพุทธบริษัทกำบลุสิโฟดีก็ต้องมีธรรมะแท้ปัญญาดำธรรมะที่แท้กลับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจถ <c oughs> ้าเองจะลองคิดดูว่าทำอย่างไงเราจรึงจะไม่คิดทัเหตุนั้น ทรัพสมบยัยเขาคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจ อ, อเรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็นแน่เชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่อยากได้จะขโมยเขาไม่ใชโกงเขาไม่ใช่ยื้ย่างเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรมาใช้ อยากจะหามันได้ดิทุนขขาตนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั่งศีลไม่ผิดทั้งกรรมมดสิตอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไมาฉช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมมีอยู่ด้วการอยากอการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้อะไรไมปจะเกิดขึ้นบ้าง อะไรทำให้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถที่เห็นไว้ก่อนได้นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโหลดยินดีเพราะสับผินที่ตนหามาได้โดยชอบธรรมธรรมะั้สามารายการนี้ควบคู่กันมาตลอด สิงอยู่ในใจประจําใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านใจคิดแล้วไม่คิดก็าตามในเมื่อทรัพย์สมบัติเรื่องเงินทองอยู่ในกระเป๋าจะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคืงคน้นเพื่อความหาเพือพิจารณาลืมดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง <C oughs> สมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปเจคคนที่มีกำลังอ่อนแอกว่ายัางคนป่วยมากๆเมื่อเด็กตัว เ, เล็กๆคล้องสร้อยเพชรติดทับทวงเพชรมีจันทร์เพชรมีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้น มีในร่างกายแล้ว ม, มีทรัพย์สินนั่นไหลกระคายเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาตอนหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สมบายอย่างหนักยิ่งดีมากโอกาสที่ยับยั้งการกระทํำของเราไม่ได้ แล้วเด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อก่อนเราได้เราจะปลดเรื่องของไม้เพืนี้เสียมอะไรก็ได้แต่ว่าทำไมเราจรึงไม่ทำเห็นเข้ากันนึกคิดว่าเออคนป่วยคนนี้นะเขาป่วยอาการกล้ายตายอยู่แล้วแต่ทว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจ เด็กเล็กๆตนคนนี้เด็กแท้ๆ แ, แต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยือ้อยั่งเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรไปเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสาคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขา เราไม่ควรจะยื้อยังเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสีด้วยถ้าบังเอิญมันเห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเ ร, เราแย่งเอาไปเมื่อไร่ก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเรากให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีแก่เราก็มีความสงสารว่าคนปล่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่ง เขาจะเสียกำลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายายาการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของทำไมเห็นว่าเด็กที่ระคับระครองซักสมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทำถ้าเราไม่เคยรักมาลราก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสม บ, บัติอย่างนี้ได้โดยตัวเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ ถ้าเราไปยื้อย่างเธอเข้าอย่างนี้ใส่เธอก็จะเสียกำลับบงใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยกรวมความว่าที่ที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอันิสงส์บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบคุคคลใดโดยไม่ชอบทำเป็นการอยากได้นะ ทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นเขามีดีอะไรเราจะทําอย่างนั้นในปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมทุกขสุคส่งสรรเสริญว่าเป็นคนดีและเจตนาดวงนี้ขงรนดาท่านพุทธบริษัทก็จะสําเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านเราตั้งใจอยากจะได้ทรัพสมบัติอย่างนี้บ้าง เราจะหาด้วยกําลังร่างกายปัญญาของเราเองถ้าทนทราบของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกําลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิเดเยณทุกามเจติโอคนจะล่วงทุกได้เพื่อความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาเทพบุตรบริษัทเป็นว่าอาเรศสงที่เพิ่งได้บรรดาเทพบุตรบริษัททั้งหลายในชาติต่ตอไปท่านจะหาไฟไม่บใบของท่านไม่ได้เลย ไฟบัน jay ชอดในบ้านของท่านได้กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไม่ไมึ้มาได้บางครัง้งบางคราวไฟไม่ชอดแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัตทั้งหลายคงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้วบางบ้านไฟชอดนิดเดียวไฟลุกพึบไฟไหม้บ้านหมด บางบ้านไฟฟ้าช็อตหลามแบบแบบแบบแบไฟลุกเป็นกระกลายเขียวไฟตลอดสายฝาไฟฟ้ า, ฟาสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหมอะไรเลยอย่างนี้ก็มีแลมบางรายไฟจุดไฟเท่าไราก็ไม่ติดอย่างนี้อาทาอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เพราะว่าอาณิสง์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอืน่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำ และรายการในสองท่านเห็นว่าลมพัดบางทีบ้านของเราเนี่ยอ่อนแอกว่าบ้านบางบ้านอ่อนแอกว่าบ้านที่จะล้มเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่ไอ้บ้านนี่คือว่าจะพังมันไม่ยอมพังไม่ไปพังบ้านยิ่มีความแข็งแรงกว่าแล้วบางบางอกาศที่นน้ํามา บางทีทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบางคนบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้เสียหายบางอันเล็กๆ น, น้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยเหมือกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าขี้ริ้วมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนะักบางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกล้นถูกแย่งถูกจิงหยุดเงื่อราวถูกจี แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากๆแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภัยจากโจรที่เป็นอย่างนี้ละบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าสายกำลังเขา จ, จนตนตั้งอยู่ใ น, นหน้ายคื่องความดีคือมีสันโดษไม่ยินดีในทรัพย์สินเขาเช่า บ, บ้านที่ให้ที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบทำ คือไม่คิดจะคดรจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขมยของเขาและพระอาศัยที่มีกําลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจําใจเป็นธรรมะที่ทําจิตใจให้เยือกเย็นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึานี้เป็นอย่างนั้นเมริสองอย่างนี้ที่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน จงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโซฮขค์คือสัมมาทิพทธเจ้าตั้งแต่ต้อต้นน้นมาเลย ค, คิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ไม่พูดรุ้ษาวาดไม่พูดคํำยาไม่พูดวาจาส่อเสียเพิ่นไม่พูดวาจาเพื่อเจริเหลวไหลไม่ดื่มสุราใดไม่ไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำถ้ากาลังใจทรงอย่างนี้ความดีของไทยแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตามที่ว่าการจะเกิดในบายทั้งสูบูมจังสีไม่มีแล้ว หากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปเมื่อไรองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้ากล่าวว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมถ้ามาเป็นมนุษย์แดนใดที่มีความลำบากยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่นแดนใดที่มีความดมสมบูรณ์มีความร่ารวยท่านจะเกิดที่นั่น รูปร่างหน้าตาท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว้ก่อนเมื่อเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่สิบแปนี้ก็ต้องขอลาบรรดาลสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจัตุรพริตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละปฏิพานอาทุกท่นานประสงค์สิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาเจ้ทุกประการสวัสดี